อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์แรกของอเดือนกันยายนนะคะวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช25งพห้าิบห้าค่ะวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะเป็นเพราะว่าเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าปีมะโรงค่ะก็คิดว่า สำหรับการพบกันในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันแล้วค่ะว่าจะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือที่เรียกกันว่าสากฉะนะคะระหว่างพระอาจารย์ไพบูตรอภิปุนโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้ดำเนการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกรนตามพุทธโอษฐ์ขอ ง, ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของวัดป่าดอนหโศกตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะเริ่มหลักสูตรใหม่ของการเรีกเล้นปฏิบัติธรรมของเดือนกันยายนหรือประจำเดือนกันยายนแล้วนะคะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพอ่ดอดรสะอาดที่โทภาโสหรือท่านพระคุณสิทธิประกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกท่านเป็นเรียกว่าเป็นท่านที่จะควบคุมาการฝึกปฏิบัติอะไรต่างๆนะคะโดยมีพระอาจารย์ภัูบุญอภิพุโนของเรานั้น ท่านเป็นผูน้อำนวยการค่ะพบกันในเสรารแรกนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการตอบปัญหานะคะซึ่งท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาทางเว็บไซต์ของพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโญ น, น, นะคะจะเป็นของใครนั้นก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำมการท่านเลยนะคะหลายๆท่านคงจะคิดถึงพระอาจารย์ไพบูรลแล้วเพราะว่าทุกครั้งจะได้ยินเสียงท่านตอนเช้าๆแต่ในระยะเข้าพรรษานี้ก็คิดว่าอาจจะได้ฟังท่านอดีต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านจันทิมาเชยสงวนท่านได้มาพูดคุยในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับด้านธรรมะเรานี้แหละค่ะเป็นการสับเปลี่ยนกันไปนะคะก็ขอนำมากราบน้ำสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนกันเลยนะคะกราบน้ำพระสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพรเจ้าข้าอาจมาก็ยังจะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์ที่อยู่เพราะว่าคุณเตืนใจก็ทุกอย่างที่คุณเตนใจว่านะว่าทุกๆเดือนเราก็จะมีการปฏิบัติธรรมวันวันนี้ก็จะเป็นวันแรก แล้วก็มีท่านผู้ฟังทางรายการวิทยุเนี่ยหลายๆท่านก็ติดต่อมาแล้วก็สนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมอันนี้เราก็ยินดีต้อนรับก็คือมาตามเสียงเลยว่างั้นเถอะก็ไปหาข้อมูลได้จริงๆตอนนี้เรามีเว็บไซต์ใหม่คุณเดินใจจะแจ้งประชาชนให้ทราบนิดนึงกองของว้าป่าเลยของว้าป่าดอนไหโศกที่ข้อมูลเกี่ยวกับแกรนด์รีเลนตปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ตอนแรกเราเอาไว้ที่หลวงพ่อดรดัตคอมใช่ไหมตอนนี้ว่าเราต้องการทําให้ข้อมูลต่างๆมัน มีความชัดเจนรัดกลุมมากขึ้นก็เลยแยกมาอีกเว็บไซต์หนึ่งนะที่วัดป่าดอนไห้โศกนะเป็นเว็บไซต์ของวัดเลยก็ตัวยอออ่อภาษาอังกฤษเลย wp right? คื s, s. <S อวัดป่าในะช่ไหมดอนไห้โศกก็ dhs ก็ wpdhs.org วัดป่าดอนห้โศกนี่นะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการหลกเล่นปฏิบัติธรรมแต่ละเดือนนะเจ้าค่ะซึ่งทางวัดก็ยินดีเปิดรับ แต่ท่านต้องสมัครเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์นะเจ้าคะ่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใช่เจ้าคะ่ะสาธุเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะสำหรับในเช้าวนันนี้จะขออนุญาตนำจดหมายของคุณอรุณีที่ถามมาจากจังหวัดลบบรุรีจากอำเภอหนองม่วงมาถามดีไหมเจ้าคะ่ะเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีข้อสงสัยคล้ายๆกันก็จะได้รับทราบคาตอบไปด้วยนะเจ้าคะเียาน เจ้าค่ะจมขออนุญาต อ, าอ่านคําถามแรกเลยนะเจ้าค่ะาทางคุณอรุณีก็ถามวา่าใส่บาทหรือตักบาทด้วยเงินกับตักบาทด้วยข้าวเนี่ยจะได้บุญเหมือนกันไหม อ, อันนี้เป็นคําถามแรกเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะใส่บาทพระใช่ไหมบาทพระสงฆ์เนี่ยน ะ, ะจริงจริงการไปบินธบาทเนี่ยเป็น เ, เป็นข้อปฏิบัติของของพิสูจน์ในธรรมะวินัยนี้ถึงบอกว่าด้วยความที่ข้อจากัดเรื่อง ของการสมณพิบัติเนี่ยพระเจ้าก็จึงบัญญัติให้มีการหาเลี้ยงชีพด้วยกันไปบินธรรมบัตรนี้หาเลี้ยงชีพด้วยการไปบินธบาตหาามายความว่าไงนั่นก็คือว่ามีภาชนะใบหนึ่งแล้วก็เอาภาชนะใบนี้ไปแสวงหาการเลี้ยงชีพโดยการคือถ้าคุณยืนจานลองเปรียบเทียบนะระหว่างขอทานขอทานนะขอทานเนี่ยถือถาดกระเบื้องไปใบหนึ่งแล้วก็ไปเคาะตามหน้าบ้านเขาขอขอข อ, ขอหน่อยซี่จะหิ้วข้าววางอย่างนี้น ะ, ะ, ะกับพระสงฆ์ นาพระสงฆ์ก็นุ่งห่มผ้าย้อมน้ําฝาดแล้วก็เดินไปในบ้านเพื่อบินธบาติพระเจ้าเคย เ, เขาเรียกว่าขนาบพระภิกษุองค์หนึ่งที่ไม่รู้จักสํารวมอินทรีย์แล้วก็มีข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกไม่มีศีลแล้วก็ยังประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นอาชีพที่ต้อยต่ําที่สุดเลยคือถือถ่ายกระเบื้องไปเที่ยวขอทานในหมู่บ้านเนแต่ว่าการที่ไปหาเลี้ยงชีพของพระสงฆ์เนี่ยเป็นลักษณะที่ พระพเจ้าพาทำนะพระพเจ้าพาธทำในตอนนั้นก็อยู่ที่เมืองเมืองกบิลพัฒน์นี่แหละนะแล้วก็บินธบาต์นะซึ่งเ ป, เป็นเป็นอริยะประเพณีที่พระพเจ้าพาธรำเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การบินธบาต์เนี่ยคือเพื่อเลี้ยงชีพนะเลี้ยงชีพด้วยอะไรประสงค์มีอะไรเลี้ยงชีพก็ต้องกินข้าวนะเพราะฉะนั้นพอในภาษาที่ภาษาบาลีเนี่ยบินทะเนี่ยคือก้อนข้าวนะบินธบาต์คือก้อนข้าวที่ตกลง คือก้อนข้าวที่ตกลงในในบาดในบาทคือตกลงเนี่ยนะ บ, บาบาอาตอเนี่ยเพราะนั้นคือเราก็รับก้อนข้าวบินทะนี่คือก้อนข้าวก็คืออาหารบ้างนเถอะแต่เพราะฉะนั้นประสงค์เนี่ยเวลาไปบินทะบาดเนี่ยเพื่ต้องการอาหารไม่มีอาหารเดี๋ยววันนี้มันจะไม่รอดคืออดอดข้าวสักสิวัน20วันคงไม่เป็นไรนะแต่ว่าจุด ป, ประสงค์นี่คือเพื่อต้องการอาหารเพราะฉะนั้ น, าานไม่ได้ต้องการเงินนะเงินทองเงินที่หมายถึงว่าซิลเวอร์เนี่ยนะหรือแร่เงินเนี่ยหรือว่าธนาบัตรก็ตามเหรียญเงินก็ตาม หรือว่าทองเครื่องประดับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่ไม่คู่ควรกับสมณะมคือหมายความว่าถ้าพระเนี่ยมีเงินเก็บไว้ในในที่ของตัวเองแล้วก็มาเปิดดูโอ้ ย, ยินดีจังเลยฉันมีเท่านั้นแสนเท่านั้นล้านอันนี้ไม่ถูกต้องล ะ, ะอันนี้ไม่ถูกต้องแต่พระสงฆ์เนี่ยยินดีอะไรได้ยินดีในปัจจัยสี่ที่จะเกิดจากมูลค่าของเงินนั้นๆโดยที่ต้องมีวิยวาวจกรคือผู้ที่ทําการแทนสงเนี่ยเป็นผู้ที่ไปจัดการ อย่างสมมติว่าถ้าคุณเตือนใจเป็นวายพชกรอย่างนี้ใช่ไหมมีคนถวายปัะจัยหลวงพ่อเงี้ยหรืออาธรมาเงี้ยคุณเตือนใจก็รับเป็นหน้าที่ไปจัดการาถวายปัจจัยสีที่ควรแก่สมณเจริโภพแต่ว่าพระนี่ไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้ให้คุณเตือนใจรับแต่คุณเตือนใจเนี่ยอาสาที่จะมาจัดการ เ, าเรื่องนี้แทนให้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใส่เงินในบาทพระเนี่ยก็จะจะเรียกว่าทําให้พระผิดศีนะวงนังกันเถอะ ไม่ควรนะเจ้าค่ะก็มันก็ไม่ได้บุญแล้วคงอาจจะได้บาปด้วยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าเราเราใส่ให้ถูกต้องตามธรรมวินัยนั่นก็คือใส่ด้วยข้าวด้วยอาหารที่พระสงฆ์จะต้องรับประทานนั่นพระสงฆ์ก็พอรับพอประมาณที่ตัวเองจะรับประทานแล้วก็ก็ผ่านก็ไปก็ไปรับประทานส่วนถ้าต้องการถวายปัจจัยสี่ที่ควรแก่สำนักจตุริโภคนั่นก็ในวาระอื่นๆก็ได้เนาะในวาระที่ไปที่วัดก็ได้หรือว่าพบปะกันก็ได้หรือว่าใน ในขณะที่มีวิยาพัสดุ์ที่เหมาะสมอะนะอืเจ้าค่ะแต่ข้อปฏิบัติที่ไปตอนเช้าไปปฏิบัตินี่คือเพื่อที่จะเอาอาหารมาเลี้ยงชีวิตตัวเองเจ้าค่ะดังนั้นก็ไม่ควรที่เราจะใส่เงินลงไปในบาตรของพระท่านนะจ้ากค่ะไม่ควรนี่อาตมาเห็นหลายทีน ะ, คคะอย่างพระบวชใหม่ๆเนี่ยคุณเดินใจ้าหลายๆที่เลยในพระพริีสา์เนี่ยพอบวชออกจากบวชปุ๊บอ้าวทุกคนใส่บาตรพระใหม่เอาอะไระใส่หรือไม่เอาเงินใส่ แลาพระบวชมาใหม่ๆหม่ศีลบริสุทธิ์เต็มที่เลยออกมาปุ๊บเอาผิดศีลเลยรับเงินอย่างเงี้ยในบาทพระอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ควรถามเป็นประเพณีที่เขาเพิ่งมีมาเมื่อสักห้าปีสิบปีมานี่เองอเจ้าค่ะก่อนยี่สบสาสปีนู้นก็ไม่เคยเห็นเรื่องนี้กันเจ้าค่ะคงจะต้องรณรงค์ให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงนะเจ้าคะให้คนทราบว่ามันไม่ถูกพระธรรมวินัยนะเจ้าค่ะคือคือถ้าต้องการถวายประจัยศีเนี่ยสามารถทําได้นะก็ต้องมีวิทยชกรที่เขามาจัดการแทนให้ เจ้าค่ะ <Right. S 1> อันนี้โยมขออนุญาตถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะในฐานะที่ว่าถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ ะ, าะทางทางพระในการบวชพระของเราเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็ทราบว่ามีแบบถ้าเป็น ว, วัดป่าอย่างเนี้ยเจ้าค่ะก็จะเป็นแบบหนึง่งซึ่งจะเคร่งมากจะจับเงินไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้นะเจ้าค่ะแล้วแต่มีอีกพระอีก อ, อีกส่วนหนึง่ง ซึ่งโยมอาจจะพูดไม่ถูกนะเจ้าค่ะเลยไม่กล้าพูดเนี่ยว่าจะเป็นที่ว่าสามารถจับเงินได้แล้วก็ไปไหนมาไหนใส่รองเท้าได้ก็จะวัดปฏิบัติจะจะอ่อนกว่าทางสายของธรรมยุทธ์นะเจ้าค่ะอันนี้อาจจะทําให้โยมทั้งหลายไขว่เขวว่าเอพระรับเงินได้หรือไม่ได้อย่างไรสําหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับทางวัดนะเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์ชี้แจงตรงนี้นิดนึงเถิดเจ้าค่ะก็ก็อย่างนี้ก็เราก็เอาตามที่พระเจ้าบอกนะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ว่าพระองค์ไหนอ่ะก็ไปถามท่านแล้วกัน นะท่านก็จะบอกว่าเออบวชในในคำสอนของใครถามท่านดูแต่นะท่านบอกว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ไหนตอนนี้มีองค์เดียวนะคือสมณโคดมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นตําแหน่งนะทำความเข้าใจนิดหนึ่นงพระ พ, พุทธเจ้าเนี่ยเป็นตําแหน่งเหมือนอย่างตําแหน่งอธิบดีตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพวกนี้เป็นตําแหน่งใครจะมาครองตําแหน่งนี้ได้คุณต้องมีความสามารถที่จะมาถือตําแหน่งนี้ก็ใครตอนนี้สมัยนี้เป็นใครสมัยนี้เป็นสมณรูปหนึ่ง ที่นามสกุลโคโดมชื่อ<ช>สินทัตตนะชื่อสินทัตะนามสกุลโคตมะเกิดในศากยะตระกูลเป็นคัติยะกษัตริย์เป็นตระกูลกษัตริย์อยู่ในตระกูลของศากยะเราก็มีนามสกุลโคตม ะ, ะชื่อสินทัตะมาดํารงตำแหน่งพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้อเจ้า <นะ S 2> ค่<น>ะคุณจะใจเดินไปที่ไหนก็ได้ไปประเทศไหนก็ได้ประเทศจีนเวียดนามอะไรต่าง ๆ, ๆถามเขาเข า, เขาบวชอยู่ที่ใครเขาคุณบวชในคําสอนของใครตามก็ดู ถ้าเขาบอกว่าเขาบวชในคําสอนของสมณะสัมพุทธเจ้าสมัยนี้มีองค์เดียวแน่นอนนั่นคือสมณโคดมสมณโคดมพูดว่ายังไงเรามาฟังที่สมณโคดมพูดนะสมณโคดมบอกว่าศีลเนี่ยของพระเนี่ยนะมันมีอยู่หลายข้อมากเลยแบ่งเป็นหมวดหมวดก็หมวดที่ก่อนที่จะมีการบัญญัติเป็นหมวดข้อๆแลก็มีเขาเรียกว่ากลุ่มศีลมัชฌิมศีลจุลศีลมหาศีลพวกนี้นสมัยช่วงสิปีแรกที่ยังไม่ได้มีการปรับความผิดใดๆ ต่อมาก็เป็นหมวดที่2คือบทที่มีเป็นสิขาบทเป็นข้อข้อแน่นอนเหมือนกับตัวบทกฎหมายอ่ะตัวบทกฎหมายมีแบ่งเป็นข้อข้อแล้วก็มีระบบการปรับความผิดเอาไว้แล้วก็หมวดที่3ก็เป็นศีลที่อภิสมาจารย์คือลักษณะที่ว่าเป็นศีลเล็กๆน้อยๆเพื่อมารยาทเนืเพื่อที่ความเหมาะสมการสํารวมคนที่เห็นแล้วก็จะมีความเลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเลื่อมใสมากยิ่งขึ้ น, นคือศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งประมาจันเนี่ยคือหมวดที่1และหมวดที่2 นะหมวดที่หนึ่งและหมวดที่สองเพราะฉะนั้นก็ถามว่าถ้าท่านบวอุทิศพระผู้มีพภาคเนี่ยนะมีข้อหนึ่งในในสามหมวดนี้ในหมวดที่สองเนี่ยผูชาบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่รับเงินและทองนะไม่ยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ะนะไม่รับเงินและทองเพราะฉะนั้นถ้าก็ก็ฟังแค่นี้เองรับเองก็ไม่ได้ให้ผู้อื่นรับก็ไม่ได้นะยินดีในของที่ผู้อื่นเขาเก็บไว้ให้ก็ไม่ได้เข้าใจไหม นะยินดีในของที่เขาเก็บไว้ให้ก็ไม่ได้สมมติถ้าอาจจมาจะให้เอาคุณเตนอนใจเก็บปัจจัยนี้หน่อยเก็บเงินนี้หน่อยแล้วเรามายินดีว่าโอ้คุณเตนอนใจเก็บเงินให้เราต้องสามสี่หมืน่นโอ้ดีใจจังอันนี้เราจะผิดทันทีอืเราจะมีความผิดทันตะีแต่ถ้าเราเออเราไม่ได้ยินดีตัวเงินนะแต่ว่าเออถ้าคุณเตือนใจจะไปพิจารณาปัจจัยสี่นะมีอาหารบิธบาบัดมีจีวมียารักษาโรคหรือเครื่อนที่อยู่อาศัยเนี่ยตามที่เหมาะสมอันนี้เราก็สามารถรับได้ อืมเจ้าค่ะนะคื อ, อ ค, คือมนนันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะเพียงแต่ว่าถ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติตามคําสอนพพุทธเจ้าก็คือจบเลยนะทีนี้แต่ละคนแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละที่แต่ละแบบเนี่ยก็ความสามารถไม่เท่ากันนะคือคือหมายความว่ า, าข้อบางข้อก็ยังทําไม่ได้นะข้อบางข้อก็ทําได้แล้วเข้าใจไหมคือบางอ ง, งอค์ยังทําไม่ได้บางคนบางองค์ทําได้แล้วเข้าใจไหมคือศีลมันมีเป็นโอ้โหเยอะมากคุณเตือนใจอยงบางทีพระสงฆ์เนี่ย ขอโทษนะต้องยืนต้องนั่งปัสวะนะอืบางรูปเนี่ยคืออยู่ในที่มิชิดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเผลอตัวบางคนเนี่ยบวชใหม่เนี่ยพระบวชใหม่ในภาษานี่บางทีไม่รู้ไปยืนยินปัสวะอเอา้ามันผิดศีลนะเนี่ยโ อ, โ, อโอ้เราเราผิดแล้วเราเราทําไม่ถูกคุณก็ค่อยทําความศึกษาไปบางทีมันมันยังไม่เคยมันยังไม่คุ้นเคย่ะยังไม่ชินยังเคยชินในวิสัยของคารวาสอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ต้องค่อยๆยศึกษาค่อยๆปฏิบัติไปอันนี้เราก็ต้องเปิดโอกาสให้แต่ละท่านแต่ละองค์นะ คือหมายก็ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้เนียบหมดหม่มันก็ยากอยู่ทีนี้ว่าไอ้ข้อที่ว่าผิดผิดไม่ได้เลยผิดไม่ได้เลยผิดแล้วคือหลืดออกจากควาเป็นพระแ น, น่นอนก็มีสีข้อนั่นก็คือไม่เสพเมทูลไม่ฆ่ามานุษย์ไม่อดคุณวิเศษที่ตัวเองไม่มีแล้วก็ไม่ขโมยของแตถ้าสีข้อนี้คุณยังไม่ผิดนะเอก็ถือว่ายังมีการแก้ไขได้ยังมีการปรับปรุงตัวได้ก็ค่อยๆแก้ไปอืมจุกค่ะ เจ้าค่ะก็<ม>เรียกว่ามีกฎระเบียบอยู่นะเจ้าค่ะใช่ทีนี้มัน ม, มันนิดนึงตรงนี้ว่าคือถ้าสมมุติว่าอย่างพระสงฆ์เนี่ยข้อปฏิบัติอะไรต่างๆมันมากใช่ไหมข้อปฏิบัติต่างๆมันมากแล้วทําถ้าทําผิดเนี่ยมันจะเป็นโทษมากเหมือนกันอย่างพระว่าเนี่ยมีแค่ห้าข้อใช่ไหมสี่ห่าของเราใช่สี่ห้าธรรมดาเลยแต่ที่มันก็กว้างมากคุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะค้าขายก็ได้คุณจะเป็นข้าราชการก็ได้คุณจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ <สา S 1> ้าคุณรักษาศี่หน้าและสบายละ แต่<ช>พระเนี่ยมีข้อจํากัดเขาเรียกว่าข้อจำกัดเนี่ยมากคือภาษีเน่ยมากว่างั้นเถอะ แ, <ช>แต่ผลของการปฏิบัติเนี่ยคือพูดถึงผลของการปฏิบัติเนี่ยคือสามัญญผลเนี่ยจะได้สูงเหมือนกันคือสมมติถ้าคุณไปนั่งสมาธิคุณมีพระ น, น้อยแล้วนะประสงค์เนี่ยคุณไปนั่งสมาธินี่สคุณจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเห็นธรรมะได้ได้ดีกว่าคนที่ยังมีกิจการงานมากอืแต่ถ้าข้อใดที่คุณผิดในสิ่งคือที่ควรระวังสิ่งที่ถ้าผิดคุณนําผิดแล้วเนี่ยผู้ชอบปรียบเหมือนกับยาขา นะถ้าเราจับไม่ดีเนี่ยมันจะบาดมือเราได้อืมเจ้าค่ะเช่นเดียวกันย่าคาในขณะเดียวกันมันก็มีประโยชน์มากนะมาทําเป็นที่รองนั่งก็ได้เอามาทําเป็นทาเป็นเชือกก็ได้มีประโยชน์หลายอย่างเนะี่ยแต่ว่าเราต้องใช้อย่างระวังนะอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นเป็นคำถาม แรกนะเจ้าคะคำถามที่สองของคุณอรุณีจากจังหวัดลบบุรีก็เขียนถามอย่างนี้เจ้าคะว่าการบริจาคเงินให้โรงพยาบาลจะได้ผลไปทางไหนนะเจ้าคะแล้วก็ข้อ3บอกว่าบริจาคให้กับขอทานหรือคนชราคนพิการเนี่ยจะได้กุศลไปทางไหนเจ้าคะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูลได้ตอบสองข้อนี้พร้อมกันเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานพระเจ้าบอกการให้ทานเป็นสิ่งดีให้ทานแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อสวรรค์ คนที่ฉลาดเนี่ยถึงจะให้ทานรู้จักการพิจารณาให้ทานให้ทานแล้วไม่เบียดเป็นตัวเองไม่เบียดเป็นผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนี้การให้ทานเนี่ยจะได้ผลผลไปทางไหนก็คงจะนี่ความเข้าใจของอาตมา ก, ก็คือไม่ได้ผลมากหรือผลน้อยอเนาะใช่ไหมมันก็อยู่กับที่ผู้รับทีพระเจ้ า, าเคยอธิบายถึงผู้รับนะว่าถ้าผู้รับเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญาการให้ทานแม้นั้นน้อยนิดเดียวก็จะได้ผลมากแต่ถ้าผู้รับไม่ใช่เป็นเนื้อนาบุญการให้ทานถึงแม้จะมาก ก็ได้ผลน้อยเพราะฉะนั้นผู้รับเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงถึงจะจะได้มากผลของทานเนี่ยจะได้มากตามตัวแปรนี้คือผู้รับเนี่ยต้องมีไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่มีเลยหรือว่าตัวเองเนี่ยกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้หมดราคะโทสะโมหะมีสามอย่างคือ1ไม่มีราคะหรือปฏิบัติเพื่อที่จะหมดราคะ2ไม่มีโทสะหรือปฏิบัติเพื่อที่จะหมดโทสะ3ไม่มีโมหะหรือปฏิบัติแล้วเพื่อที่จะหมดโมหะ ก็ง่ายๆนะคือเป็นพระอรหันต์ขึ้นไปหรือไม่ก็อยู่ในอรหัตมักก็คือกําลังจะฝึกให้เป็นพระอรหันต์นะเาค่ะใช่คือบนหนทางสู่ความเป็นพระอรหันต์อันนี้จะได้บุญมากให้นิดเดียวก็ได้ผลมากนะเจ้าค่ะทีนี้ถามว่าถ้าให้คนชราให้ขอทานให้คนพิการได้ไหมได้บุญแต่พระเจ้าบอกแค่ว่าแค่คุณเอาอย่างกินข้าวเหลือๆเนี่ยนะแล้วไปมีเศษข้าวติดอยู่ครึ่งเม็ดหรือเศษนิดนิดนีงเนี่ยเราล้างแล้วก็โยนไปในขี้ต้มเนี่ย ก็หวังว่าตัวแมลงอะไรที่อยู่ในขี้ตมเนี่ยมันจะได้กินอาหารนี้บ้างอันนี้ก็ได้บุญนะอือันนี้ก็ได้บุญเป็นทางแม่งบุญแล้วถ้าบอกว่า ใ, ให้กับสัตว์ในราชาญให้กับหมาให้กับคนขอทานให้กับพวกนี้ทำไมจะไม่ได้บุญได้แต่ว่าผลที่จะได้มันก็จะมากน้อยแตกต่างกันผู้รับแาจาว่าเคยถามคน อ, อถามคนต่างประเทศที่เขามาเมืองไทยเนี่ย<ๆ>ก็เขาก็ไปเที่ยวตามวัดบาเนี่ยถามเขาเขาก็บอกว่าเขาเจอขอทาน เออถ้ามีขอทานมาเคาะหน้าประตูเขาหรือคุณเจอขอทานเนี่ยคุณจะควักให้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าห้าบาทสิบาทเท่านั้นแหละไม่เกินยี่สิบาทอาอยังมากสุดนะแต่ถ้าคุณให้ในหลวงอ่ะในหลวงนะถึงเวลาคราวที่พิธีพระราชกุศลอย่างเงี้ยคุณจะให้ทานในพิพระราชพิธีนั้นเนี่ยโอโ้คุณต้ควักเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเป็นแสนนุ่นขึ้นไปถูกไหม<ช>ก็ก็แล้วแต่กําลังของตัวเองในตอนนั้นแล้วแต่ความประสงค์ดเด็จพระราชกุศลนะคะแต่จะไม่ใช่ใชไม่ได้คิดให้เหมือนขอทานว่าห้าบาทสิบบาทไม่เป็นอย่างนั้น เพราะอะไรคุณตืใจเพรว่าอะไรไม่ใช่ว่าในหลวงไม่มีนะในหลวงมีมากแล้วด้วยนะเอาทําไมคนเห็นว่าคนอื่นมีมากยิ่งให้มากแต่ขอทานมีน้อยยิ่งให้น้อยะนี่แหละเพราะว่าบุญที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลนั้นไงอย่างอย่างในหลวงเราเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมากใช่ไหมเป็นบุคคลที่มีบุญมากเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากให้ทานถวายทานในพระองค์นีอหรอไหมในขณะที่ขอทานหรือคนชราขอทานเนี่ยกรณีขอทานเนี่ ย, นน ย, นนยมีบุญน้อยเขาก็ให้น้อย ทนี้เราก็อยู่ที่ตรงนี้นะว่าถ้าเราเราก็พิจารณาดูว่าเออบางทีมูลนิธิบางอย่างองค์กรการกุศลบางอย่างเราก็ให้ทาน ม, น, มนมันมีกุศลแน่นอ น, นได้บุญแน่นอนอันนี้ฟันธงมากหรือน้อยอยู่ที่ผู้รับ อ, อีกอีกประการหนึ่งก็คือว่าอยู่ที่ตัวของผู้ให้ในตัวของผู้ให้เนี่ยถ้ามีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังอันนี้ก็จะได้บุญมากก็คือสรุปมี6กตัวแปรนะคุณเตนใจสามอย่างแรกเนี่ยเป็นของผู้รับ อีกสอย่างหนึ่งเป็นของผู้ให้เดี๋ยวประะนั้นถ้าตัวเราเนี่ยต้องการให้คนชราหรือให้ขอทานหรือให้กระเด็กเนี่ยคุณให้ได้เลยถ้าคุณมีจิตศรัทธามากบุญตรงนั้นสูงแน่นอนบุญตรงนั้นสูงแน่นอนจอนะเจ้ค่ะเราสังเกตดูอย่างหลวงปู่เทศหรือหลวงตามหมาบัวเนี่ยท่านรับทานมาเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้ให้เพื่อตัวเองเนาะก็เอาไปสงเคราะห์โรงพยาบาล บ, บ้างสงเคราะห์สถานเงเด็กกาพร้าบ้างสงเคราะห์บ้านคนชราบ้างต่างๆนานานะเพราะว่ามันมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่ท่านจะต้องใช้มาก เพราะฉะนั้นเงินหรือว่าสิ่งใดสที่รับมาก็เป็นไปเพื่อสังคมอย่างนี้ก็มีนะจ๊ะค่ะและสำหรับกรณีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ประสบการณ์ชาวไทยที่ชอบโดยเสด็จ พระราชะกุศลนิยมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลอันนี้วัดจากตัวของโยมเองนะเจ้าคะ่ะว่ารู้สึกว่าอยู่ภายใต้ร่มบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะโดยเสด็จพระราชะกุศลเพราะทราบดีว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปใช้เพื่อส่วนพระองค์เจ้าคะ่ะก็จะไปเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนที่ยากจนจริง แล้วก็เพื่อความสุขของพระสุฆนิกรที่ว่ายากจนดังนั้นเราก็อยากจะร่วมบุญอันนั้นเป็นอันหนึ่งนะเจ้าคะอีกอันหนึ่งก็คือโยมคิดว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ยมั่นใจว่า พระองค์ท่านนั้นเนี่ยการที่เราได้โดยเสด็จพระกุศลเหมือนกับร่วมทํา บ, บุญกับพระองค์ท่าน่ะเพราะว่าอยากจะได้มีโอกาสมีบุญที่จะได้เกิดมาเรียกว่าร่วมชาติเป็นค่ารับใช้พระองค์ในในชาติหน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ, อ, อันนี้พระอาจารย์ไม่ทราบมีความเห็นยังไงเจ้าคะอันนี้โยมโยมพูดจากตามความรู้สึกของของพระสงฆนิกรยทั่วไปที่โยมเป็นพระสงฆนิกรยคนหนึ่งนะเจ้าค่ะออการให้ทานเนี่ยจะทําให้เป็นที่รักของคนทั่วไปเจ้าค่ะแต่ประเด็นถ้าเราให้ทานใน อกองการกุศล น, น, นั้นในกลุ่มคนนั้นเขาก็จะรักเราเนาะเราเข้าสู่บริษัทไหนก็จะไม่มีความครั่นคร้ามอันนี้เป็นอ น, นิสงท์ที่ที่จะเกิดขึ้นได้ดแล้วมันก็เป็นการสร้างภาษาร่วมกันคือทําบุญร่วมกันมานะวางันเถอะมันก็จะทําให้มีอ น, นิสง์ที่จะได้เพรรามีภาษาร่วมกันแล้วในพบ ต, ต่อไปก็จะมีภาษาร่วมกันอีกนะอ น, นี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ อืมเจ้าค่ะทนีนี้ในกรณีที่คุณอรุณีถามมานะเจ้าค่ะว่าบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเนี่ยจะได้ผลไปทางไหนอันนี้ยมคิดว่าคุณอรุณีคงอยากจะทราบว่าถ้าเผื่อให้กับโรงพยาบาลซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นหน่วยงานอันนึงที่รักษาพยาบาลเนี่ยเจ้าค่ะผล บ, บุญที่ได้นั้นก็ อ, อย่างที่พวกค า, า, ารวะเรามักจะเชื่อก็คือว่าเมื่อเราให้กับโรงพยาบาลซึ่งจะไปรักษาผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์ยากมา อนนันผลบุญที่ตามมาก็เราก็เชื่อว่าจะทําให้เราและก็ญาติพี่น้องครอบครัวนี้มีสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จากน้อยเป็นมากอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเจ้าคะเอ่อเรื่องเรื่องตรงนี้ผลของบุญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะวิบากเนี่ยนะของบุญที่เราได้ทําไปสั่งสมไว้ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องอาจินไตามากเลยอาจินไตคื อ, อ, อไม่ควรที่ต้องมาคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเป็นบ้า คือคือมันอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้สูงทีเดียวนะว่าคือคนจะมีบุญเนี่ยนะคุณตัวใจมันโ<ช>รคภยัยไข้เจ็บจะไม่มีนะจะมีอะไรมาเกิดขึ้นก็จะคล้าวคลาดไปเพราะว่าความที่ไรเรามีบุญเพราะฉนั้นถ้าบุญเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างเลยถ้าตัวเองไม่มีช่องให้ออกที่ตัวเองมันจะออกไปที่ลูกก็ได้ออกไปในสิ่งที่เรารักก็ได้แนะมันม<ช>ันได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเอามาไม่สามารถพยากรณ์ได้เลยแล้วคือคื อ, คอฟันทงให้ไปได้แต่<ช>แน่นแน่เลยนะก็คือว่า บุญเนี่ยจะนํามาสึ่งความสุขนะถ้าการป่วยเป็นสิ่งที่คุณไม่สุขอาการสุขภาพดีจะเป็นสิ่งที่คุณสุขมันออกทางนั้นได้ถ้าคุณรักลูกนะอาการที่ลูกสอบไม่ผ่านจะทำให้คุณเป็นทุกข์ถ้าลูกสอบผ่านจะทําให้คุณเป็นสุขถ้าคุณมีบุ่นลูกคุณสอบผ่านได้อย่างนี้เป็นต้นนะชมค่ะชมค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราสามารถทําได้ตรงนี้คืออะไรถ้าคุณมีบุญคุณอันที่ฐานได้แล้วคุณตั้งใจในการที่จะให้บุญกูสงเราเนี่ยไปออกในทางนั้น <G DA> ก็มีสิทธิ์นะถ้าคุณมีเนื้อเหมือนมีบุญอะนะมีเนื้อนาบุญนะเจ้าค่ะใช่มีบุญที่คุณจะเอามาใช้ให้เกิดความสุขในชีวิตที่เราต้องการอนะเจ้าค่ะทีนี้คําถามต่อไปของคุณอรุณีพูดถึงการใส่บาทหน้าบ้านเจ้าค่ะก็เขียนถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าใส่บาทหน้าบ้านกับไปทําบุญที่วัดในเทศกาลต่างๆเนี่ยจะได้บุญเหมือนกันไหมเพราะว่าคุณอรุณีไม่ค่อยได้ไปวัดก็เลยเพราะว่านั่งพระเพียบไม่ค่อยได้อ๋อ นะเจ้าคะ่ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่4ส่วนคําถามที่5บอกว่าเมื่อใส่บาตรทุกครั้งหรือทําบุญด้วยเงินเนี่ยต้องตรวจน้ําหรือไม่และต้องตรวจน้ําตอนไหนเจ้าค่ะคุนเปรมพรพูดถึงการใส่บาตรแล้วก็เป็นทางหมายของบุญแน่ทีนี้อย่างที่เรามาคุยกันเมื่อตั้งแต่ตอนต้นรายการบุญเกิดจากเหตุปัจจัย3าอย่างของผู้ให้3อย่างของผู้รับถูกไหมในนี้ <ขอ S 2> ไม่ได้บอกถึงสถานที่เลยนะไม่ได้บอกถึงสถานที่ว่าคุณจะต้องทําที่ไหนแต่ที่แน่ๆคือต้องมีใจ นะเพราะว่าใจเนี่ยเราน้อมไปใจใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีศรัทธานะถ้าเราใจเรามีศรัทธาแล้วคุณจะทำที่บ้านหน้าบ้านในวัดนอกวัดอะไรเนี่ย ม, มันได้อย่างนั้นนะบุญเกิดตลอดเวลาเค่นะเพราะฉะนั้นทาที่ไหนอันนี้อ่ถ้าจะบอกว่าเหมือนกันไม่แน่ฟันธงไม่ได้เพราะอะไราบางทีคุณอยู่หน้าวัดแล้วคุณมีจิตศรัทธามากกว่าคุณอยู่หน้าบ้าน นะเพราะภาษาทุกอย่าง ม, มันมีผลต่อจิตของเรานะอืเจ้าค่ ะ, ะ, คะเราอยู่หน้าบ้านเรากิโอ้ยฉันคงไม่ได้บุญมากหรอกเอาคุณศรัทธาคุณน้อยได้คุณถึงจะคิดอย่างนั้นนะอืมแต่ ถ, ถ้าคุณอยู่หน้าวัดคุณอยู่ในวัดเลยเห็นบ้าเห็นอะไรต่างโอ้ยศรัทธามากเหลือเกินเห็นคนเยอะแยะไปหมดโอ้ยมันศรัทธาสูงเหลือเกินอันนั้นคุณจะได้บุญมากอืเจ้าค่ ะ, ะเพราะฉนั้นอยู่ที่ศรัทธาของคุณอะไรเป็นตัวผลที่เกี่ยวเนื่องกับศรัทธาผาษาคุณทั้งหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจทําให้จิตของคุณมีศรัทธาหรือออ่่ีทน้็กยยู อ่อตัวแปรตรงนี้อืมเจ้าค่ะแล้วที่ว่าใส่บาทหรือว่าอ่าตักบาทหรือทําบุญด้วยเงินทุกครั้งนี่ต้องต้องกรวดน้ํำไหมเจ้าค่ะตรวน้ําเพื่ออะไรก่อนนะที่ก็โดยมากเราเชื่อว่ากรวดน้ําเพื่อ อ, อุทิศส่วนบุญอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะเป็นประเพณีอินเดียสมัยก่อนเลยคุณเตือนใจเวลาเขาจะให้อะไรกับใครเนี่ยนะ <c oughs> อย่างอย่างอ่าอะไรอ่ะที่เขาเล่นบุญพระเวทกันเนี่ยนะเวลาที่พระเวทสันดอนมอบช้างประจําราชวงศ์เนี่ยให้กับอีกเมืองหนึ่งไปเนี่ยเขาเอามือมารดน้ำเลย นะให้เห ม, มือนกับเซ็นสัญญากันเลยอะว่าฉันให้แน่นอนอนะ ใ, ให้แม่ธรณีเวป็นพยานเอารดน้ําผ่านมือเธอลงไปที่แผ่นดินฉันให้เธอละยจะมาเรียกคืนไม่ได้ละนะ <จ uk S 1> เป็นลันกษณะของเหมือนกับเซ็นสัญญากันอทีนี้ประเด็กนก็คืออุทธิสุญญุชนสุญญุชนกุญญุช น, ก น, กนกเกิดที่ไหนนะเกิดที่จิตวุณเตจ <Window. S 1> แล้วกันถ้ามันเกิดที่จิตเนี่ยเราต้องมีจิตหนึ่งสองเราต้องมีบุญนะถ้าคุณมีจิตคุณมีบุญคุณอุทิศได้แต่ถ้าคุณไม่มีบุญคุณจะออุทิศยังไงมันก็ไม่ออก น้ำจะมีหรือไม่มีไม่สําคัญนจะมีก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรแต่จะไม่มีคุณหาน้ําไม่ได้ก็อุทิศได้อยู่ดีเนาะคือตั้งจิตเราเท่านั้นคเจ้าค่ะใช่ใอยู่ที่จิตของเราเพราะบุญเกิดที่จิตนะถ้าคุณไม่มีบุญนี่คุณอุทิศไม่ได้ถ้าคุณไม่มีจิตเนี่จิตคุณไม่ได้เลิเรื่องนี้คุณก็อุทิศไม่ได้เจ้าค่ะก็เหมือนไม่มีอะไรจะอุทิศนะเจ้าค่ะใช่ เจ้าค่ะแต่น้ําไม่จําเป็นเลยน้ำไม่เกี่ยวอ่าเจ้าค่ะอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับน้ํำนะเจ้าค่ะข้อเจ็ที่คุณอรุณีถามมาบอกว่าถ้ากรวดน้ําแล้วบอกชื่อคนที่ตายไปแล้วคนตายจะได้รับหรือไม่เจ้าค่ะเออเป็นไปได้นะได้เออถ้าจะบอกงี้ว่าถ้าเขาอยู่ในภพที่เขารับได้เนี่ยเขาก็จะรับได้นะถ้าเขาอยู่ในภพที่รับไม่ได้ก็จะรับไม่ได้พระเจ้าตรัสเอาไว้อย่างเช่นอาหารที่เราทําอุทิศเขาอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นเทวดาขึ้นไปเลยเนี่ยหรือมนุษย์ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีอาหารของเขา แต่ถ smoothie, food, ้าเป็นสัตว์นรกก็จะมีอาหารของสัตว์นรกแต่จะมีเปรตอยู่ประเภทหนึ่งที่ร uh ับอาหารที่เราอุทิศเนี่ยให้ได้อช่นันก็คือเปรตที่ชื่อว่ารู้สึกยะชื่อว่าปรัตถตูปชีวีเปรตแต่เป็นประเภทหนึ่งที่จะรับอาหารที่เราอุทิศให้ได้เพราะฉะนั้นคือคือพระเจ้าแนะนํางี้ว่าให้เถอะให้อุทิศเถอะอุทิศเป็นสิ่งดีการให้เป็นสิ่งดีเขาจะรับได้ไม่ได้ไม่เป็นไระให้อุทิศให้ให้ให้ให้ให้ให้สละออกถึงจะดี เจ้าค่ะ<ม>ก็ทำให้จิตใจเราสบายนะ<ช>ยะเจ้าจนี้เจ้าค่ะถ้าเราไปกังวลว่าเอ๊ะเขาจะได้รับไหมเนาะศรัทธาของเราตกด้วยซ้า<ม>นะก็คือศรัทธาหลังให้ของคุณน้อยลงอบุญที่เกิดขึ้นน้อยลงไปอีก เจ้าค่ะนั้นนั้นก็ต้องมีทั้งก่อนระหว่างทําแล้วก็หลังทำนะเจ้าค่ด้วยเจ้าค่ะอีกข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะเวลาเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีกว่ากว่าการไหว้พระพุทธทุกครั้งต้องมีดอกไม้ทุบเทียนหรือไม่ถ้าไหว้ด้วยมือเปล่านี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเจ้าคะคุณอรุณีสงสัยตรงนี้เจ้าค่ะกอ็อยู่ที่ศรัทธานะอยู่ที่ศรัทธาศรัทธาเนี่ยจะทําให้เป็นที่ลั่นไปสู่ วิริยะความเพียรสติสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุตต์หลุดพน้นจุดประสงค์ของการที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งกุญเินใจว่าคืออะไรก็คือทําให้เรามีความสงบ่มเ<น>ยน็นนเจ่ะหลุดพน้นเจ้าค่ะหลุดพ้นจากสังสารวัฏหลุดพ้นจากทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะทังไงเราถึงจะเป็นทางหลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าก็ให้เริ่มที่ศรัทธาเพราะนถ้าคุณจะมีดอกไม้แล้วคุณจะทําให้เกิดศรัทธาได้คุณก็มีซะถ้าคุณไม่มีดอกไม้คุณจะให้ง่ายๆเรียบๆง่ายๆคุณจะมีีศัทธาไได้้คุณกก็็มม่ตอง อืมค่ะนะเค่ะเหมือนอย่างที่เวลาโยมไม่มีดอกไม้ทูบเทียนก็จะบอกว่ามือนี้ต่างดอกไม้ทูบเทียนอะไรก็แล้วแต่ศรัทธาราเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าสําหรับการสนทนาพูดคุยตอบปัญหาของคุณอรุณีจากจังหวัดลบบุรีในเช้าวันนี้พระอาจารย์ไพบุ์อภิปุโนมีอะไรที่จะฝากท้ายไหมเจ้าค้านิมนต์เลยเจ้าค่ะก็แต่มาต้องเน้นว่างี้ว่าคําสอนพรชะเนี่ยเน้นที่จิตเน้นที่จิตเน้นจิตของเธอเราต้องควบคุมจิตของเราให้ได้ถ้าจิตของเรามีศรัทธา จิตของเรามีการระลึกถึงพระบุตรธรรมประสงค์เครื่องมือต่างๆภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่รองรองลงมาทั้งสิน้นสถานที่เป็นเรื่องที่รองลงมาทั้งสิน้นเครื่องแบบเป็นเรื่องที่รองลงมาทั้งสิน้นตัวบุคคลรองลงมาทั้งสิน้นสำคัญที่จิตของเราตอนนั้นเองให้ควบคุมจิตของเราให้ได้ สาธนะุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค้าก็หมดเวลาในรายการธรรมาราป ร, รุนชาวันนี้แล้วนะคะเราจะกลับมาพบ ก, กันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สกันยายนนะคะเวลาหมดจริงๆค่ะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังกล่าบนมสการขอบพระคุณและกล่าวนมัสการลาพระอาจารย์ไพภูณอภิพุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหาโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกล่าวนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญบานสาธุเจ้าค่ะ